أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم. للهيم الكسموات والأرض. للهيم ا ل س م و ا ت والأرض. يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء. วา يَشَاءُ ا ل ยُّาอุลกูร์วายาบุลิมัยยาชา ا ุลกูร์วายาบุลิมัยِาชาอุล ب ِร์อุลสับปิหَนตรานْุมยานาอุล وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ َ ق ِ ي م ً ا وَيَجْعَلُ مَن ي َ ش َ ا ء َُ ق ِ ي م ً ا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِبَشَرٍ أ َ ي ُ ك َ ل ِ م َ ه ُ اللَّهُ إلَّا وَحْيٌ إِلَّا وَحْيٌ أُوْلُوَ ا ْ ع َ د ْ ي ِ ج َ ا ب َ ه ُ أُوْلُوَ ِ ل َْ د َِ ا ُ و ن َ ه ُ م ْ سيلا ر س و ل ي و ح ي ب ن ه يشاء، ي ح ي بإذنه ما يشاء. كذلك أوحينا إليك رحم من أمرنا. ما كن تتدري بالكتاب والإيمان. ما كن تتدري بالكتاب والإيمان. จงจ عل หนูรอนไُ้บีมันเชื่อวินัยบัดนั้นว่าอินนักละตัดดีละซีรัติมุสลิมว่าอินนักละ ا ัลลอฮ์ผ no ู no ้เลี้ยงลูกที ا อยู่ในสว ا ل ค ر และในโลกอาล นับมันเถิดนับมันเถิดนับมันเถ ل, ل, ل ه Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahiya wabika namu tu wa ilaika nushur أعوذ بِكلمات اللهِ تامات من شر ما خلق ب ِ س َ م ِ اللهِ الذي لا يضر مع اسمه شايعٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا الله ما ن ي أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الله معافني في بلني وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه วจินะต่ออาร์ชีฮิวบิดาดกลิมัติฮิยา حي يَا ق ي و م ب ر َ ح م ت ك أ س ت غ ي ث أ ص ل ح ل ي ش أ ن ي ك ل ه و ل ا ت ك ل ن ي إ ل ى ن ف س ي ط ر ف ة ع ي ن ح س ب ي ا ل ل ه و ن و و ع م ا ل و ِ ي ن ا ل ل ه م ف ا ت ر ا ل س م و ا ت و ا ل َ ر ع ا ل م ا ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا د ة ر ب ك ل ش ي ء و م ا ل ك أ ش ل و ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أعوذ بك من شر نفسي و ش ้วสีว่า ن ั่นชั وأن أ ق ت ر ชั ل นคีวั س อั ا รี أ อั ه ล ل า م น้า ل ีส ل อันอว ل ا จุรรหูอี ا ามุสลิ ل ลาอิ ل าอิลลอห์วะเพดห์ลาชั่นริคละหลุ م ุลกุมหลุลฮัมด์วะวะและก ل ลชัยน์กิด ا ร์สัลามุ ที่มัสยิดอันวาริสุนาที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามเฟซบุ๊กสว่างในบ้านนะครับพี่นั่งอยู่ที่บ้านท่านอัลฮัมดุลิลลาฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอสฺซุ์ฮานะฮูวตาลาที่อัลลอประทานให้กับมนุษย์ทั้งโลกนะครับก็ ค, คือให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาเราก็ดีใจนะที่หลับไป มาดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับคนที่ไม่รู้จักอัลล์เนี่ยขอบคุณไม่เป็นอย่างดีก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มปอตื่นขึ้นมาก็สุบรีกรเพื่อน <c oughs> ขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานมาถึงสุราะอชูรอเนี่ยสูราะที่สี่สิบสองวันนี้อิชชาลออาจจะจบสูราะชูรอ แล้วก็ขึ้นสุรหอใหม่นะอิชออลร้อนนะครับขอคุณอัลลอ์นะครับที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานมานั่งกันที่มัสยิดเนี่ยเราหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์นี่เล่าใหม่นะครับเพื่อเป็นความให้เราอีมานเพิ่มขึ้นนั่งอ่านหนังสือเนี่ยอันกุรอานในมัสยิดเนี่ยอัลลอ์ให้สีอย่างพูดผ่านนาบีวันหนึ่งันรอปีแล้ว ข้อที่หนึ่งอัลลอฮฺจะประทานส ก, กีนะ่ะแปลว่าความสงบทางด้านใจแล้วจริงนะพออ่านตัปซีลสบายใจพอออกจากโซลาร์ผมจะเริ่มมีปัญหาตอนนั่งอยู่ในมนะัสยิดสบายใจประการที่สองอัลลอฮฺจะประทานรหฮมะความเมตตาส ก, กีนะ่ากับรหฮมะเนี่ยไม่เหมือนกันนะ อบอุ่นทางใจแล้วก็มีความเมตตาเรื่องที่สามเนี่ยอัลลอฮฺจะให้มะลายิก้ามาห้อมล้อมเนี่ยฮัฟฟัตอะไลฮิมุลมลายิก้ามลายิก้ามาปกคลุมด้วยและห้อมห้อมล้อมด้วยไม่ให้เศตอนนี่เข้ามาวุ่นวายเรื่องที่สี่อัลลอฮฺเล่าเรื่องของเราที่เรานั่งอ่านตัปซีดอัลกรุรอานทั่วโลกนี่นะครับให้บรรดามลายิก้าที่อยู่รอบๆอัลลอฮฺฟัง บอกนั่นเอาเบาฉันกําลังอ่านกุรานที่ท่านวันแรกที่ท่านที่อัลลอฮฺเสนอเล่าให้มัลิกาฟังว่าฉันจะสร้างมนุษย์มาเนี่ยมัลิกาคานใช่ไหมสร้างมาทาําอะไรเดี๋ยวมันทะเลาะกันอัลลอฮฺก็ตอบว่าฉันรู้ดีท่านไม่รู้หรอกวันนี้เพื่อจะมาพรธราทความดีปั๊บ เรานั่งอ่านหนังสือพาพเราอ่านคูอน่อ่านภาพอาดูดูดูดู ด, ด, ดูเห็นอย่างเห็นอย่างไม่ใช่เป็นคนเลวทั้งหมดแล้วคนดีก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณนลล์นะครับก่อนก่อนที่จะเข้าอายันีวันนี้นคยับนะครับอายับที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอายับที่4ี่สบดนะครับเวอินเฟอินอารอดู فما أرسلنا عليك عليهم ح ف ظ ا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أ ذ َ ق الإنسان منا رحمة ف ر ح ا بها ว่าอินทุศิบาหุมไซยามบิมาคดมาตสัยดีหิม فإن الإنسان فإن الإنسان كافور ขอา <ت> น <ص في> ี <ق> ้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ขอสรุปสั้นๆนะครับถ้าหากว่าคืออัลล์นี่นะ ถ้าใครที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีเนี่ยนบีบังคับเขาไม่ได้หรอกนะอินอาไลกะอินละบะลาหน้าที่ของนบีก็เอาไว้ตัปลีด่าวะอย่างเดียวบังคับคนให้เชื่อไม่ได้เนี่ยเราเตือนเตือนพวกเราด้วยเราจะสอนคนเนี่ย น, นต้องสอนอย่างเดียวพูดจาดีๆให้ความรู้แล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเอามา minutos. อธิบายกุรานยกเว้นครอบครัวอันนี้บังคับได้แต่คนอื่นนี่บังคับในครับไม่ได้ทีนี้เอาล็อกก็เล่านิสัยเดิมๆของมนุษย์ว่าอินนาอิราอักนัลอินซาอามินน่ารอฮฺมาตัน แต่แท้จริงเวลาเราเนี่ยให้มนุษย์ได้ลิ้มรสหรือว่าได้ชิมจากเราความเมตตาอย่างนอนไปเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับใช่ไหมลนะ่ะจากความเมตตานะฟาลิฮาบิฮาเวลาเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮได้เงินมาขายที่ได้ยกตัวอย่างเลยนะดีใจ นี่คนคาเฟ่นะขอบคุณอัลลอ์ไม่เป็นนี่เล่าอัลลอ์เล่าให้ฟังนะครับฝาริฮาบิฮาเขาแค่ดีใจสูญญดไม่เป็นขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นจ่ายอากาศไม่เป็นต่อมากับว่าอินทุซิบะหุมสซ ย, ยะอตุมบิมากอดจะมัดไอดีฮิมถ้าหากพวกเขาพบกับความความไม่ดีความยากลำบากเนี่ย บีมากรด ม, มัดไอดียมด้วยน้ำมือของเขาที่ทำความชั่วไว้ก่อนหน้าแล้วนี่เล่าให้ฟังเพราะว่าอินอินอิ น, อนซาน่ากับฟูแท้จริงมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่เนรคุณ <c oughs> นี่มนุษย์ส่วนใหญ่นี่เนรคุณต่อเ้าใช่ไหมใช่แล้วก็มองดูตัวเองเราเนรคุณเปล่าก็ ก็เป็นข้อสังเกตคุรานเป็นข้อเตือนใจเอามาต่อมาวันนะว น, นี้อายาที่49นะครับลิลลาฮิมุลกุสซมาวาติวะล้อรดยาคลูกมายาชายาฮบุลิมัยยชาออินาส ويهب لمن يشاء الذكور لله منك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وإناسا วายฮาบุลิมยยชาอุกุอัลฮัมดุลิลลาฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยอัลลอฮ์ให้หมดเลยเนี่ยจัดให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องมาเหนื่อยมาเหนื่อยมาเหนื่อยเรื่องทำมีบราร์ดีกว่าทำให้อัลลอฮ์รักทำตัวยัยงไงออามาดูสั์กับลิลลาฮิ่แปลว่าเป็นของอัลลอฮ์ มุลกุศลมวาว่าปริมณฑลชั้นฟ้าทั้งหมดเจ็ดชั้นวันอัลลอและแผ่นดินทั้งหมดเจ็ดเจ็ดชั้นแผ่นดินนะ่ะมันมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดข้างล่างข้างบนในเจ็ดเจ็ดหมดเนะี่ยเป็นของอัลลอฮฺทั้งหมดนี่เปิดหูเปิดตามนุษย์ห้ใจกว้างอ่ะอัลลอฮฺเล่าน่ะั้างบนนะ่ะเป็นของฉานหมดเลย แต่อัลลอฮ์ก็ให้มนุษย์เป็นเจ้าของเล็กๆน้อยๆออให้อยู่สบายบนโลกดุนยาเบนี้อมีที่ร้อยไร่ห้าสิบไร่พันไร่ก็เก็บเอาไว้ใช่ไหมเป็นหน้าเป็นตาเนี่หลังคนคนก็หลงที่ดินจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์มีไหมมีขายขายที่ได้เล็กๆ น, น้อยๆได้รอยสองรอล้านก็จะกล้ากูก็ไม่จ่ายไม่เคยไม่เคยช่วยใครเลยอะคนยากคนโจนไปห่าง ทำตัวเงี้ก็ทำไปได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าทำอะไรผิดคำสั่งอัลลอ์เจอโทษตอนตายอย่างน้อยงูมาฟัดคุณแน่ถ้าคุณไม่จ่ายสระกาศหรือไม่ทำซอรากา็ไม่ทำพาดียะไม่ทำวาคาฟเจอสีข้อนะครับมวาเป็นของอลลอทั้งหมด อาณาจักรแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของอัลลอ์เรื่องที่สองยักษลูกกอัลลอฮ์ทรสงสร้างมาเยาชะสิ่งที่อัลลอ์ประสงค์ไม่ใช่เราประสงค์นะอัลลอ์ประสงค์อัลลอ์ก็สร้างล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าฉันฉั้นสร้างออาสร้างอะไรบ้างสร้างชั้นฟ้าแผ่นดิน ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วก็สร้างมนุษย์แล้วก็สร้างสัตว์ต้นมงต้นไม้อลัลลอฮ์สร้างรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมนุษย์มัต้องมาเหนื่อยเรื่องเรื่องนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะเปิดหูเปิดตานะยักลูกกูมาย่าชือัลลอฮ์สร้างสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์อ่าวักที่สามเรื่องที่สามนี่พูดถึงเรื่องลูกอ่า เรื่องลูกคร อ, อบครัวบุเรื่อครอบครอบครัวยาฮาบูยาฮ า, า, าบูนี่แปลว่าอัลลอฮ์ทรงประทานทรงประทานลีไมา ย, ยาชะผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ลีไมา ย, ยาชะสาหรับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อีนาซาลูกผู้หญิง อุลมะเข า, เ, ขาเอาอญญาย่านี้มาอธิบายว่าทาไมเ อ, อ่ยลูกผู้หญิงก่อนเอาล่อให้ครอบครัวนี่นะมีลูกผู้หญิงก่อนเ อ, อ่ยลูกผู้หญิงก่อนทำไมอุลมะก็อธิบายต่อบอก ว, ว่าวันนี้นะลูกผู้หญิงกับลูกหญิงกับลูกลูกชายเนี่ยอะไรมากกว่ากันปัจจุบันเนี่ยอะไรมากกว่ากัน ผู้หญิงมากกว่าเมืองไทยนี่นะผู้หญิงมากกว่ผู้ชายเนี่ยหลายล้านละว่ะาคุณอ่านเน้นเอาไว้ยะฮาบุลีมัยยะชาอูอีนาซาอัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่ครอบครัวก็ได้เอาวงเล็บนะครอบครัวผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีลูกผู้หญิงอย่างเดียวก็ได้ มีครอบครัวที่หนึ่งมีแต่ลูกผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแล้วเออยเอเอยผู้หญิงทําไมเนี่ยล้อเล่าอ่ะข้อสองครับวายฮาบุลิมัยยาชาอุซูกูดแล้วอัลลอฮ์ก็ประทานให้แก่ผู้ที่อลัลลอฮห่วงเล็บให้กับครอบครัวที่อลัลลอฮ์ส่งประสงค์อุซูกูดหมายถึงลูกชาย อินาซาลูกหญิงซูกุรอลูกชายลูกผู้หญิงมาก่อนลูกผู้ชายมาที่หลังได้ความรู้ว่าบางครอบครัวมีแต่ลูกผู้หญิงหมดเลยมีไหมมีที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้นะบางครอบครัวมีแต่ลูกผู้ชายอย่างเดียวมีไหมมีใครให้อัลลอฮฺให้อะ บางคนถึงก็ไปทำอะไรนะไปทำยิฟเองก็ทำได้สิอยากได้ลูกผู้หญิงอยากได้ลูกลูกผู้ชายแต่เองทำยิฟผิดลงโทษเองอะ่ะไปเอาโมสิของใครแต่ใครมาผสมกับน้ำโมเสติของภรรยาตัวเองระหว่างระวงังลงโทษเองแน่นะ่ะ้าน้าําอเสจิของตัวเองอยามาผ่านพิธีกรรมทางวิทยาศาสตร์ก็ทำได้ไม่มีปัญหาหราอกใช่ไหม นี่เปิดหูเปิดตาเราดันั้นการมีลูกเนี่ยอัลลอฮฺเมตตาอย่าอวดดีว่าฉันเก่งฉันแน่อลัลลอฮ์ลูกฉันมีตั้งหลายคนจบด็อกเตอร์ตั้งหลายคนเป็นหมอหลายคนอย่าลืมอลัลลอฮ์เองจะมีลูกกี่คนก็าตามแต่ต้องนึกว่านี่อลัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเอาต่อมาครับเอายูจ่จะวิจุหุมหรือ ยูซาวิจูห์หุ่อายะต่อมานะอายะที่ห้าสบยูซา ว, วิชน่แปลว่ารวมกันหมายถึงบางครอบครัวเนี่ยให้รวมกันให้ใครครับให้อะไรครับรวมกันเนี่ยซุคโรนันมีลูกผู้ชายวายนาซันแล้วก็ลูกหญิง มีลูกชายลูกหญิงนี่บางครอบครัวบางครอบครัวมีผู้หญิงอย่างเดียวบางครอบครัวมีลูกผู้ชายอย่างเดียวบางครอบครัวมีหญิงและมีชายหรือออยเออยี่เอยผู้ชายก่อนลูกชายแล้วก็ลูกลูกหญิงนี่เป็นความขวาสามารถที่อรรประธานให้นั้นอย่าลืมัล่ะแค่ท่านใช้ตอนนีมันชอบเล ชอผู้หญิงที่กําลังท้องอผู้หญิงเนี่ยนบีเล่าให้ฟังนะชาตตอนเนี่ยชอบผู้หญิงกําลังท้องและผู้หญิงที่ไม่อ่านฉะนั้นผู้หญิงท้องนี่นะถ้าลืมอ่านกุณอานลืมนมาดนะชาตอนชอบหมดเลยเป็ยังกับพระพูดโอ้โหนี่จะอธิบายนะจโจมโหนนีก็ไม่หมดเรื่องเรื่องผู้หญิงกับชายเนี่ย แค่ท้องแก่นี่อธิบายยังงะโอโลอะไรแต่เต็มไปหมดเลยแล้วก็เด็กเวลาคลอดคลอดออกมาแล้วนบีสอนใช่ไหมเวลาคลอดออกมาเจดวันให้ทําอะไรวะไม่ใช่คลอดออกมาปั๊บอาจารที่หูขวาอุ ม, มัดเบนอาจีตอธิบายต่ออีอกอมาที่หูซ้ายแล้วก็พอครบเจดวันให้ทําอะไรให้ทําอักเกอ นะครับแพะวัวไม่มีด้วยนะพูดแพะอย่างเดียวเลยนะแต่พวกเราก็ถามกันจังเอวัวได้ไหมทำคูนบาลด้วย เ, เชิญอากิ ก, ก้ด้วย อ, อ๋อโลอาควัสต้องอธิบายก็ฟังเอาเอาต่อมาครับตรงลงว่าบางครอบครัวนี่ให้ทั้งลูกผู้ชายและลูกหญิงอีกเรื่องครอบครัวที่สามนะนะครอบครัวที่สี่ ว่ยยาจะจะอารมณ์ไะจะอูอาคีมาอาคีมเนี่ยแปลว่าเป็นหมันผู้หญิงเป็นหมันไม่มีลูกหรือผู้ชายไปเป็นหมันไม่มีลูกก็ได้อาคีมอาคีมแปลว่าเป็นหมันและอัลลอฮ์ก็ทําบางครอบครัวผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เป็นหมันไม่มีลูกตัวนเราก็มีอุสีแบบแบบที่หนึ่งมีลูกผู้หญิงอย่างเดียว ครอบครัวที่สองมีแต่ลูกผู้ชายอย่างเดียวครอบครัวที่สามมีลูกหญิงและลูกชายแฮปปี้นะดีใจโอ้มีลูกผู้หญิงชายครอบครัวที่สีเนี่ยไม่มีลูกเลยอย่างมาัดเรานี่ลูกมีป่าวไม่มีใช่ไหมขายให้ต้องนึกข้างบุญบางคนมีลูกเยอะแถมจัมีเงินนออีกดาลออีก โอ้โยทำไมเาลาทำไมทำอย่างนี้กระฉันแหละเงินก็น้อยบ้านก็เล็กลูกก็เยอะต้องการจะทดสอบคนรวยๆในหมู่บ้านอนะดูแลเขาหรือเปล่าล่ะทดสอบอะทดสอบหมดเลยคนที่มีที่ยี่สิบไร่อ่ะวันละขายเราเก็บเงินคนเดียวนะไม่ให้ใครเลยนะถ้ามไม่ไปปลูกบ้านนะเขาอยู่ละหลังเล็กๆ ก, ก็ยังดีนี่มันเตือนใจยอยู่ังหมด ตกลงว่าครอบครัวมีอยู่สประเภทใช่ไหมประเภทที่หนึ่งที่เอาล็อจัดให้นะมีลูกหญิงอย่างเดียวสองมีลูกชายอย่างเดียวสามยู่าวิยุหุมรวมกันมีทั้งลูกชายและลูกหญิงครอบครัวที่สี่วยยายาอลมัยยาชาอูอัีมแล้วก็ไม่มีลูกเลยไอคุมกำเนิดนี้ระวังให้ดี คุ้มกำเนิดเนี่ระวังให้ดีเท่ากับปฏิเสธเนี่ยมันของอัลลอ์นะลูกเราที่ท่านคุ้มกำเนิดไว้อาจจะเป็นอาเลมอุลมะ ก, ก็ได้เราไม่รู้อนะ่ะคุ้มทำไมอ่ะให้ออกมาสิอย่างนี้เป็นตัวนี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดนะครับอินน้าฮูอาลีมุงกอดี นิทธิ์ั่อลัลลอฮ์อินน ahu แท้จริงพระองค์อัลีมุนผู้ทรงรอบรู้ว่าจะมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายดีหรือมีทั้งผู้หญิงและลูกผู้ชายหรือไม่มีลูกเนี่ยอลัลลอฮ์รู้ดีว่าครอบครัวนี้อลัลลอฮ์ทดสอบอย่างนี้แหละนะครับต่อมาครับกอดีรุน่นมีความอานุภาพมีความสามารถพี่น้องก็ท่องสาปนะอาตีมอาตีมแปลวอะไรนะหมันอ่า อาศัพ์นี้ไปนะครับแต่ศัพท์อีกสองสองประโยคก็คือจูกูร้อนผู้ชายลูกชายอีนาซันลูกผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องผู้หญิงม่ทัพเซตหลายๆเล่มอธิบายตรงกันหมดนบีเนี่ยเคยประกาศต่อนหน้าผู้หญิงบอกว่าต่สดดักนะให้ผู้หญิงในบริจาคให้ภรรยาเรานี่แหละบริจาค คำวาผู้หญิงมาถึงผู้หญิงทั่วๆไปโรงเถกภรรยาเราด้วยให้บริจาคฟฟอินนะฟอินนีรอไอตูกุ้นะฉันเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยอยู่ในนรกนี่นบีพูดนะหมนึ่งพันสรอปีแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถามท่านนาบีบอกว่าลิมายารสูญละาเพราะเหตุใดผู้หญิงจึงตกนรกเยอะนบีก็ตอบ คือผู้หญิงเนี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีศาสนานะนิสัยเดิมๆของสตรีที่ไม่มีศาสนาไม่เอาคุณธรรมไม่เอาอักรากของท่านของอิสลามมาใช้เนี่ยจะชอบบน่นชอบฟ้องไม่ถูกใจอะไรนิดนึงบน่นใช่ไหมล่ะจริงครับแต่ท่านตาภรยาที่มีศาสนาเนี่ยเขาไม่บ่นเยอะหรอก ย่งมีอาลี่ยมอุลามะอยู่คนหนึ่งวันนี้เป็นเป็นอิหม่ามอยู่ที่มักกนะน่ะไอ้นั่นแม่ขอดว้วยให้เล่นบอลนะ่ะละบอลเนี่ยกําลังเตะอยู่เนะี่ยเป็นโลนบนถาดอาหารแขกมาจะมาทานอาหารแม่ก็โมโหน่ะนะขอดว้วยโอ้เอาร้อให้ลูกฉันนี้เป็นอิหม่ามมัสยิด ตอนนี่จะเป็นอีหมายแล้วนั่นอยู่ที่แม่มดเลยอยู่ที่การการขอดุอาหมดเลยบางคนขออุทิศสาบแช่งลูกเนะี่ยฉะนั้นคนที่ไม่เรียนศาสนาเนี่ยตกนรกเยอะไม่พอใจก็ด่าลูกด่าสาบแรงๆอ่ะสะใจอ่ะที่น้าได้อลอรับดุอาศในช่วงที่แม่กําลังด่าลูกนั่นแหละหรือพ่อด่าลูกนะครับอลอลรับดุอาพอดีแล้วเป็นไงครับอีก20่สิบปีผลงานมันออกนะ ลูกเราดือ้อลูกเราไม่เอ า, าศาสนาลูกเป็นนั้นลูกเป็นนี้พราะเราขอดธิานอย่าง้ท่าเวลามโหเนี่ยมโหมีทุกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าพยายามควบคุมอารมณ์จ้ารอทดสอบรอใครเห็นยังไงนี่พอฟังกุน่าอานอธิบายยากกูน่ารำใจมันจะสบายเนี่ยตอนนี้สกีนหน้ามาแล้วนะรอมาม า, มาแล้วมาเลกาอยู่คุมหมดเลยครับชาตอนไม่กล้าเข้าอย่างนี้นะจนเอาต่อมาครับ แล้วก็นบีพูดต่อไปอีกว่าทรยศต่อสามีตัวเองนะครับแล้วก็นบีสอนว่าเราอัพสันต์อิลา่อลาอิล่าอิฮดาหุนนะถ้าหากว่าสามีเนี่ยทำดีกับสามีถ้าภรรยาถ้าสามีทําดีกับภรรยามาตลอดแล้วก็ถ้าทิ้งอ่าและหยุดไม่ทํา นางก็จะพูดว่าฉันไม่เห็นพี่ดีตรงไหนเหลยเนี่ยภาษาเราเนี่ยแค่ภาษาแบบนี้ออกมาจะต่าวภรยาเนี่ยนบียังไม่อยังไม่พอใจเลยทนต้องพูดจาดีตลอดเวลาเลยฉะนั้นเนี่ยภรยาจะพูดจาดีก็ต้องมีศาสนาใช่เลยไม่ใช่ถ้าศาสนาไม่ฟังอะไ ร, ะ ไ, รได้แต่นินทากันนั่งคุยกันข่าวบ้นนี้ออกบานนี้นินทาบ้านนั่นบ้านนี้ ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนั่นคือความหายนณะทั้งหมดนะถ้าไม่เตบาบ้าตัวก่อนตายนะครับเอาต่อมากับคือพูดทั้งเรื่องการสร้างเนี่ยนะการสร้างมนุษย์เนี่ยในตับสีอิบนุกซีรอธิบายบอกว่าอลัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาในสี่แบบนี่คำอธิบายนะแบบที่หนึ่งสร้างอาดามมาจากดินไม่มีพ่อไม่มีแม่ ความจริงหน้าน่าจะเป็นพระเจ้านะแต่ไม่มีไครกราบต่อมาประเภทที่สองสร้างโตฮาวาผ่านพ่อผ่านกระดูสิโครงของ ข, ของของอาดัมไม่ผ่านแม่ผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ประเภทที่สองประเภทที่สามสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อเป็นพระเจ้าเลยศา ส, สนาไหนผมไม่แตะคิดเองนะ นางมารยามก็ตายกลายเป็นภรรยาอัลลอฮฺไปศาสนาไหนคิดเองนะครับเอาต่อมาครับประเภทที่สี่สร้างมนุษย์ปัจจุบันนี้ผ่านพ่อผ่านแม่แต่งไม่แต่งอีเรื่องนึงนะมีศาสนาไม่มีศา ส, สนาอีเรื่องหนึงพอแต่งภาพเนี่ย อ, อยู่ด้วยกันภาพเน่นอนร่วมกันก็นั่นแหละมีลูกอัลลอฮฺแล้วก็ ที่เาเห็นก็ฆ่าลูกกันอะไรกันโยนจากตึกชั้นที่15บห้าบางยี่บ้างเพราะลูกไม่มีพ่อไงนี่ไงท่านเดินตามหลักการอิสลามในปัญหานี้เกิดไหมไม่เกิดเพราะแอนตี้อิสลามครับปัญหาเกิดทันทีแล้วแก้ได้ไหมล่ะาวันนี้กระเทยกับกระเทยอ้ผู้ญิงบผู้ชายกับผู้ชายนิกายกันได้ก็สสในสภามุสลิมก็ทำหน้าที่ ถ้าไม่ทำหน้าที่อันนี้เอเลาสอบในวันกีม้มาและพวกเราวันนี้ที่อยู่ตามบ้านเนี่ยถ้าคิดแบบคนไม่มีศาสนาะเองก็ถูกด้วยนะพวกเรานี่ถูกด้วยนะมันจะไม่ถูกนะฉันเชียร์ให้กับผู้ชากับผู้ชายอยู่ด้วยกันเองถูกแน่วันนี้ปล่อยไปก่อนนะไปเองตายเมื่อไหร่เองเจอเองเชียร์ใช่ไหมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสมัยนัีมมซาแล้วต่างกเป็นตน โอ้โตกลงว่ามนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์สร้างมาสี่แบบนะแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบที่สองสร้างตอฮาวาผ่านพ่อไม่ผ่านแม่สร้างนาบีอิสราผ่านานางมารยาญไม่มีพ่อประเภทที่สี่ก็คือสร้างมนุษย์ทั้งหมดวันนี้นะครับผ่านพ่อผ่านแม่นิกะไม่นิกะน่นอีกเรื่อกหนึ่ง น, นะจะมีศาสนาอิสาอีกเรื่องจะเล่าในความสามารถของอลัลลอฮ์สามารถที่จะให้มนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมา โดยไม่มีพ่อก็ได้โดยไม่มีแม่ก็ได้ใช่ไหมก็ทำาให้เห็นแล้วนะนั่นคือความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตานาอาตตวรว่ามีความสามารถของอัลลอฮฺทั้งหมดเลยนะอ่านะครับห้ามดูดิแล้วอัตอมาครับอายาที่51าสิวามะก า, าลิบาชาริน أي يكلمه الله إلا وحي ا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عليم อَนนุอาลِ ي ัน حكيم ว่าไมَคานัลบชร์ไงยุคลิมะฮุลลาฮ์อิลละวะฮีย์อัมีวรายหิจาบอัยร์ร์ศิลรัสุล ف ฟ ي ู حي uh ่ ب إ ذ ْ ن <c oughs> ِ ه ِ ما َ يشاء ََ إنه َُِّ عليٌ َِ حكيم ٌَِ الله أكبر นี่เป็นเรื่องคุยแล้วอายาที่51นี่คุยเรื่องวาฮีนี่ความรู้ที่เราอ่านคัมภีกุณอ่านในความรู้ผ่านวาฮี คนที่คิดนู่นได้คิดนี่ได้นี่พ่านวุฮีทั้งหมดแต่คนที่คิดอะไรได้เนี่ยไม่ค่อยจะขอบคุณอัลลอ์เท่าไรหรอกไม่ได้ขอบคุณอัลลอ์เลยนั่นแหละแต่มุสลิมกนหลายคนเนี่ยพอเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยลืมคิดถึงอัลลอนะ์น่ะมีความสามารถสามารถเรื่องยังประชุมอย่างเงี้ยพอนั่งประชุมกันสิบคนยี่สิบคนเนี่ย ในตับซิดอธิบายดีนะเป็นการเช็คสมองของคนรู้เลยสิบคนเนี่ยมีคนที่ใช้ได้จริงๆหนึ่งไม่กี่คนที่พูดจารู้เรื่องพูดเป็นเรื่องเรื่องบางคนประชุมแล้ประจบที่ร้านที่ร้านกาแฟบรรดินทาอะอย่างนงี้ยนี่เห็นเห็นเพอพรประชุมปั๊บในรู้เลยหนึ่งเช็คสมอ ง, องคนคนนั่งประชุมเนี่ยพูดจาเป็นยังไง บางคนไปจบที่ร้านกาแฟต้องไปเล่าให้ใครจะใครฟังที่ร้านกาแฟด่ดากูนั่นดา่ากนนี่นี่จากการประชุมได้ข้อมูลเยอะมากจากขจากคุรานนี่นะอธิบายต่อมาครับว่ า, าการาลีบาชรินมากันี่แปลว่าเป็นไปไม่ได้มากัเป็นไปไม่ได้ลีบาชริน สามัญชนบัญชัดแปลว่าคนสามัญชนออยูกันลีมาฮูลลอหูกันล้มาอยู่กันลีมุมแปลว่าพูดรือตัดอัลลอฮอัลลอฮนี่นะจะไม่ตัดจะไม่พูดกับสามัญชนคนธรรมดา เวลาเราต้องการจะสั่งงานให้มนุษย์ทำนูน้นทำนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ไม่พูดกับมนุษย์ตรงๆหรอกเจ็ดพันล้านนี่อัลลอฮ์ไม่พูดครับอิลาวะฮยาถ้าจะสั่งนะต้องสั่งเป็นวะฮีวะฮีหมายถึงอะไรมีอยู่สามรายการอยายะนี้อธิบายเรื่องวะฮีมีอยู่สามรายการเวลาเราต้องการจะให้มนุษย์นมาดยกตัวอย่างนมาดเนี่ย อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้อาาา้าวหนามากระนาบครับอัลลอฮ์เชิญนบีใช่ไหมมุฮัมม uh ัดเขาเรียกว่าอิสรลามีรอตไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไปรับหมามาเนี่ยเวลาจะจะสั่งให้มนุษย์ทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ล่า วามากาลีบาชารินไออยุกัลลิมะหุลล้ออัลลอฮ์จะไม่ตัดไม่พูดกับมนุษย์คนธรรมดาสามัญชนทั่วๆไปแบบตรงๆอิลลาวะฮยะนอกจากผ่านวะฮีนะครับอย่างนาบีม ahoma เมนี่ยอลัลลอฮ์เชิญไปเป็นเชิญใบขึ้นบนชั้นฟ้าประทานนมาดลงมาให้นบี ม, มาสอนถ้านาบีไม่สอนนบีผิดอีก และบังคับเขาไม่ได้ด้วยแต่ถ้าสอนแล้วไม่เชื่อคนที่ถูกสอนมีผ่ามีผิดอีกอะ่ะ <c> โ <oughs> oh, <no. c oughs> อ้นจะวิาต่อมาครับแล้วของที่ออกมาจากปากนาบีทั้งหมดนะ่ะดีหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เพราะว่านาบีพูดผนะ่านวหฮีหมดเอาวนันนี้อยากจะนำเอาความรู้ที่ผ่านวหฮีมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังจากกุรา น, นะ คนที่ความรู้ที่ผ่านวนะฮีเน่เช่นอย่างนี้สิบวันแรกของเดือนธุลฮิจยาทำอะไรนี่ผ่านวะฮีนะมาก่อนเรารู้ไหมเราไม่รู้ครับสิบวันแรกของเดือนธุลเหจยาเนี่ยให้ถือบวชให้อ่านโกรานให้บริจาคให้ลุกขึ้นนมาตะหัดยุดให้ทำความดีกับพ่อแม่ทำความดีกับภรรยา แล้วก็ดีกว่าทำความดีแม้แต่ออกจีฮัตในหุนทางของอัลลอฮ์นอกจากคนที่ออกจีฮัดไปแล้วไม่กลับไปตายเลยนั่นแหละดีกว่าถ้าไปแล้วไม่ตายกลับมากลับมาบ้านได้การทำความดีก่อนวันก่อนสิบก่อนอะไรนะสิบวันแรกของเดือนอุลติยา เราขึ้นน้ำมาทะยุตมีรางวัลเยอะทำความดีมีรางวัลเยอะน้ำมาดมีางวนมาดอะไรก็ตามแต่นมาดสุนัตฟัตธรรมดาก็มีรางวัลเยอะนี่ความรู้นี่ผานวาฮีหมดเลยนะนบีมันจะคิดเองนะอย่ยางนี้เป็ต้นแล้วก็นี่ทำฮัจจ์กับมังกันผ่านวาฮีทั้งหมดนันน่งอ่านคุรานที่มัสยิดนี่ผ่านวาฮีหมดเลยนะ่ะเล่าให้นบีฟังทำเองไม่ได้ เนี่ยร้อนเล่าให้ฟังฉันนก็ต้องคิดโอ้หนี่ผ่านวะฮีอันนี้ผ่านทีคนที่ตำหนิวาฮีมีป่าวมีเอ่ยชื่ออยู่คนหนึ่งนะครับในตับซีร์หลายสองสาเล่มอิบนุกาซีรมีในตับซีร์มาจีดีเป็นภาษาอูรดูนะครับในหนังสือบุนับบาฮัดอธิบายบอกว่ามีสัตรูของอิสลามชื่อนายวาลิดบินูรีร ตัวนี้เป็นเอนิมี่ออฟอิสลามเป็นสัตว์ุของอิสลามในสมัยนบีมัดยังมีชีวิตอยู่ด่าอ่าดานบีมูฮัมมัดครั้งเดียวด่าไอเพชรทองเนี่ยมันด่ากี่ครั้งไม่รู้นะแล้วก็มีอีก 3-4 คนเนี่ยด่ากุรอานด่าอัลลอฮ์ด่านบีนี่แค่ด่านบีครั้งเดียวตอนมีชีวิตอยู่ในนครมักกะ ซบบัลลอฮฺว่าเลาห์อัรอมรอตินอัลลอฮดาขับสิบเที่ยวคนที่ดาอัลลอฮ์ดาโรซูนพวกเราไม่มีแต่พวกเราแอนตี้ซูน่านาบีมีมีไหมเนี่ยต้องเตือนกันนะไม่ได้ตาหนิกันนะเตือนอย่ายอย่าไปตาหนิซูน่านาบีนะบางคนพูดว่าซุน่านาบีฉันไม่เอาเข้าสซูเราฉันหรอ ไม่เอาเอาปู่ย่าตายายมาแทนนั่นแหะเป็นการตําหนิสุนานะนะเบียมันต้องเรียนอิหมามต้องเรียนมูอัดรินเนี่ยสำหรับมูอัดรินคน อ, า, นนน า, อ, อ า, าจารย์ในนบีขอเราจะัยโทษให้คนคนอาจารแต่อิหมามต้องหาความรู้เพิ่มไม่ใช่ไปแอนตี้ไม่เอาไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้สอนที่มัสยิดไม่เอาอาเลมอุลมาที่เข้าใจสุนนะมาสอนจะไม่ให้เข้าโซราอ์ฉันน่ะ นบีขอดให้อิหมามต้องศึกษาหาความรู้คนเป็นอิหมามต้องต้องขยันนะต้องอ่านหนังสือนะเอาความรู้มาสอนส่วนมูอัดซินเนี่ยเอาล้อจะอภัยโทษให้คนอาจารย์ดยเถอะเพราะฉะไรบางทีอาจารก่อนเวลามีไหมมีอยู่ข้างหนึ่งตะยอ้อนเร็วอาจารย์ตีสามในมอสโวเขายังจําได้เนี่ยนึกเลยอ๋อบางทีอาจารย์เช้าไปห้านาทีโอ้โหอย่างนี้เป็นตัวอย่างนี้เป็นตัวฉะนั้น ขออลัลลอฮฺจะอภัยโทษคนที่อาดานส่วนอิหมัมต้องเรียนครับไม่ใช่อยู่เฉยๆเรียนจากูรานะแล้วก็สุนนะนบีไม่ใช่เรียนอย่างอื่นนะเรียนกูรานและสุนนะนบีหลักเป็นหลักอยู่ตรงนั้นก่อนทีนี้คนที่ดาา่านบีครั้งเดียวชื่ออะไรนะวาลิดบินมูรีหรอลาอาหุลหรอโอ้โหเนื้อตัวฮะดิษอธิบายแรงขออลัลลอฮฺสาบแช่งลดความเมตตาให้กับวาลิดด้วย เขาดานบีคร ah ั alam, ah 68, ah see, ah ้งเดียวซับบะฮุลลอห์อัลชาฮ์รอมาลอตินอัลลอฮดากับอีกสิเที่ยวอยู่ในกัฟีกุรานสุรออัลกอลัมสุรอที่หกสบแปดอายาที่สิบเปิดดูสิกุรานสุระอัลกอลัมสุรอที่หกปดอายาที่สิบวันตูตีกุลฮัลละฟิมมหิน หามาซิมมาชัยมบินมีมมานนัยลิลขายริมอัตดินอัสยีนี่คำดาหมดเลยนะแต่อ่านเพราะนะฟังเสียงแล้วโแต่ว่าชื่นใจอ่านใหม่เวลาตุติะกุลละฮัลละฟิมฮามาซิมมาชัยมบินมีม มน้าเกลือขัยมูอัตดีอัซอุตุลบัจเดซ่าลิคานิอันแดามาลบบานินิดาละอัลัยะอัยตุนะกาลาอัสัติรุลเอวอลินซาณซิมุฮูตนเป็นคำดาทั้งหมด ด่ากับดาา่ดาใครกด่าคนที่ด่านบีถ้าพูดถึงพวกเราวันนี้คนที่แอนตี้ซุนน่านบีถูกด่ากับหมดจะจะแสดงผลงานตอนัหนหลังตายครับบนดุนยานี่ยังครับอยู่ไปเลยมีพวกเยอะด้วยสิเห็นไหมออามาดูสับครับวาราตูตยะนะซุรอกรามนะซุรอที่68อายะที่ส0อัลลอฮ์บอกรับนบี คนที่ด่าคุณนี่นะคุณอย่าปฏิบัติตามคนที่ด่านะบคีคุณอย่าไปเชื่อมันเลยอย่าไปเดินตามมันเลยนะกุลฮัลลาทุกคนที่ชอบสะบดสาบานนะรอดจากกับไหมนะดาวลิดเบนมุกละกับเออเป็นชอบเนะี่ยชอบชอบสาบดชอบสะบานเรื่องที่สองมูฮีนคนต่ําช้า นี่อร่อเองนะร้อนเล่าเองนะเองคนที่ด่านบีคนต่ําช้าคนที่แอนติสุน่านบีคนต่ําช้าต่อมาครับฮัมมาริ้นผู้ที่ชอบนินทาคนข้อที่สีมัชาอิมบินามิมเที่ยวตะเวนใส่ร้ายคนเที่ยวตะเวนตามบ้านใส่ร้ายคนข้อที่ห้ามันนาอิลิคอยดีผู้ที่ขัดขวางการทําความดีข้อที่หกมว มัจดาดินอาซีมผู้ฝ่าฝืนคนบาปใช่ไหมเราดานะเอาตุลินกักละคอติแปดบาดดาซาลิกาซานมนอกจากยังเป็นคนคนผานหรือลูกซีนาก็ได้เองนะเป็นลูกพ่อลูกไม่มีพ่อเห็นยังครับนักธ้วยขนานี้คนติดแอนตี้โน่านาบนีดานาบีเนี่ยนะครับต่อมากับ ออังกนานามาลิวหัวบาลีข้อเก้านะครับเพราะเขามีสมบัติเยอะและมีลูกเยอะทําไมพูดเรื่องเงินเยอะสมบัติเยอะที่ดินเยอะลูกเยอะเพราะคนอาหรับเนี่ยใครที่มีที่ดินเยอะคนนี้เป็นคนอะไรอัลลอฮ์รักเข า, าเขาจาวาอัลลอฮ์เมตตาเขามีเงินเยอะกู้รวยที่สุดในหมู่บ้านกูเด่นที่สุดใครบอก เอ็นเดนได้จะถ้ามันมาถ้าไม่บริจาคดูแลคนยา ก, กจนเองก็ตกนรกเหมือนกันนะว่าบันี้เราก็มีลูกเยอะมีพวกเยอะโอ้โหฉัน้นนี่พวกชั้นเต็มเลยเนี่ยฉะนั้นสองอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นเครื่องหมายว่าอัลลอ์รักคุณแต่เป็นเครื่องหมายว่าเองทดสอบหัวใจว่าจ่จายอากาศหรือเปล่ามีลูกสอนศาสนาหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ต่อมา อีกแต่ตุะลาอะไรอยาตูนักโคลาสัตยรุลนอวลีดเมื่อองค์การทั้งหลายของเราเนี่ถูกสาธยายถูกสอนถูกด่าว่าพวกเขากล่าวว่านี่เป็นนิยายประลัมปราเป็นเรื่องเก่าๆที่มาเล่าสู่นี่อัลลอฮ์ด่ากับคนที่แอนติสุนนั่นนบีกับคนที่ด่านบีเปิดคุรานดูสุรร์อัลกอลามนะสุร์ที่เทไรนหกสิบแปอายาที่10เรื่อยมาเนี่ยเออเรื่อยมาอ่านดู นาจะบิลล้วเมิฉะนั้นยาตอฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเป็นมังกรมีไว้เพื่อพาเราเข้าเข้าเข้าใกล้อัลลอ์สุบฮานะฮูวะต้าลานะครับอย่าไปตาหนินบีนะอย่าด่านบีนะเอาต่อมาครับว่าไม่ก่นาลีบาชรอินไอุคัลิมาอัลลอฮอิลลาวะฮยะวะฮยะและเป็นไปไม่ได้ไม่ยอมให้ แกสามัญชนใดที่อัลกุรอานที่อัลลอ์จะตัดแก่เขาอย่างเปิดเผยอัลลอ์ไม่คุยกับมนุษย์ตรงๆถ้าจะให้ความรู้ผ่านมนุษย์ผ่านอะไรผ่านวหฮีต่อมาครับเอามิวอรอีฮิจับข้อที่หนึ่งผ่านวหฮีโดยตรงโดยไม่ต้องมีสื่อ มาที่นบีเลยที่ที่ ท, ที่ที่หัวใจนบีนะเช่นนบีมุซุมูซาพวกเนี้ยสื่อตรงเลยนะครับถต่อมาครับเอามิววรออิฮิยาหรือมาจากหลังม่านคือไม่เห็นไม่เห็นหน้าแต่มีเสียงวารออิฮิยาไปวันหลังม่านคือนบีเนี่ยได้รับวาฮีเนี่ยมีอยู่สามสามแบบแบบที่หนึ่งนี่ยท่ายัางอันชาตเล่าเองนะครับว่า นบีบอกว่ามีเสียงมาอย่างกระเสียงนน่ะเสียงเสียงเสียงเสียงกระดิ่งดังนิงนิงงงงงงง่มาหานาบีแล้วก็มีเสียงพูดเลยนั่นวิธีวาฮีอันอันที่หนึ่งวาฮีที่สองยิบรี ล, ลงมาหานาบีแล้วมามามาดนใจนบีเลยประเภทที่สามมาในรูปคน ม า, ามาในรูปของสราบาหนาบีชื่อดิยากัลบีโรดิยอลอลมาในรูปของสราบาคนนี้แหละประจําเลยนะเยบรีนเนี่ยมาถึงก็มานั่งคุยกับท่านนาบีบางทีก็มาเหมือนกันแปลงตัวมาไม่ใช่เป็นรูปสราบาอย่างท่านนาบีมีอยู่วันหนึ่งนั่งคุยกับสราบาหลายสิบคนมีคนแต่งชุด ชุดขาวมาเลยนะไม่มีร่องรอยของการเดินทางเดินมามาถึงมานั่งติดกับนบีว่าเขา่าชนเขา่าแล้วก็เอามือนี่จับที่ที่ไหนนะที่หน้าขานานบีถามว่านาบีว่าอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรพอนบีตอบตอบตอบเมื่อไรจะถึงวันกี่วั น, ว, น, ว, นวันกีม่มา นบีตอบ ว, ว่าคนถามรู้ดีกว่าคนที่ถูกถามนาบีรู้ว่าคนที่เป็นเป็นมาลายกาแต่ชาวาบาไม่รู้ไงอย่างงี้เป็นต้นนี่ไงะวะฮีพอยิบรีนกลับในวันวนี้คนนี้จะ เ, เป็นยิบรีนมาหาฉันเพื่อจะสอนอิสลามให้กับพวกท่านท่านความรู้ที่เราได้รับวันนี้เนี่ยนะมันจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะจะอวดดีล่ะมอนาับุลละซันไปประเทศอังกฤษ นบีมอสบอชเซดายนะพวกคุณเนี่ยมีความรู้ดีมากแต่ว่าขาดความรู้ที่ผ่านผ่านวายีเท่านั้นเองอย่างอื่นดีหมดนะที่ถ้าความรู้ผ่านวายีมาอยู่ในคนคนฝรั่งนะหรือคนยุโรปเนี่ยอิสลามจะเจริญตอนนี้รับเยอะแล้วนะอ่าค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเอาตัลรงว่าความรู้ที่พวกเราได้รับเนี่ยมีอยู่สามแบบจำคุณอานอะยะนี้นะ แบบที่หนึ่งวะฮีตรงๆนะครับแบบที่สองพูดหลังม่านแบบที่สามเอายุซีลรอซูล ะ, ละแล้วก็ส่งรอซูลมาเป็นทนมาเป็นทูตมาเป็นคนมามหานาบีมาสอนให้คนได้ฟังฟายูฮีไท่าบา ฟยู حي uh ่ بإذنّه ما يشاء ฟยู ح ย่ بإذنّه ما يشاء เลืออัลลอฮนี่ยรงดนใจแก่บรรดาผู้ที่อัลลอส์ทรงประสงค์ นอกจากน บ, บนีมามีน บ, บนีคนก่อนที่มาเนี่ยใช่ไหมนบีมูซาน บ, บีอีสซาโอ้เต็มไปหมดเลยเ น, นี่ยนเราให้หมดเลยนะไม่ใช่รู้เองอย่างสิทธัตถะพูดว่าตัสรูใช่หมแปลว่าอะไรรู้เองใช่ไหมรู้เองพวกเราอารมณ์นะเร า, เรา เรามาเตือนล่ากให้ฟังจะนั้นความรู้ทั้งหมดนะ่ะมาจะเอาล้อทั้งหมดอที่เราคิดอะไรได้เนี่ยนี่นี่ไม่เป็นไนระเป็นอิลหลามหัวใจอนึกนี่นึกนี่นึกจะไปเยี่ยมป้านึกจะบริจาคนี่นอิลหลามทั้งหมดเลยนะ่ะนี่ใครจะใครหลายคนในโลกนี่ที่คิดหนุนคิดด้านนี้มาจะเอาล้อทั้งหมดนะ่ะดนใจ ให้สร้างนั้นสร้างนี้เป็นประโยชน์กับมนุษย์ชาติในโลกใบนี้อย่างสร้างกระ บ, บุกเครื่องบินกับมันการนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาต่อมาครับอายะที่ห2บนะครับอินนะหูอาลียุนฮากีแท้จริงอัลลอฮ์สงทรงอะไรครับทรง Aliun Sung Song Hakim m u h u s o n g Percayaan. Ayat yang 52. w a Kadhalika a w h a y n a i l a y Karuham Min Amrina Makun Tadri t a Man Kitab Walal Iman Walakin Jalna a h u n u r a n n a د به م ي ش نهدي به ما نشاء ُ م ن ع ب د ن ا وإنك ل تهدي إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ أ َ و ح َ ي ن ا إلَيكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا َ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي م َ ل ْ كِتَابَ و َ ا ل ْ إ ِ ي م َ ا ن ِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ ن َ ش َ ء ُ مِنْ ع ب َ ا د ِ ن َ ا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إلَى ِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ه ำดูเ ل ื่ ل <يم> ه, องอ้ายานี่มีหลายหลายประเด็นเลยนี่เป็นการชุบชีวิตคนอายานี่ชุบชีวิตถ้าไม่มีอายานี่นะเราไม่ต่างอะไรกับแพะแต่วัวควาย <laughs> มาต่อม า, มาดูครับวาคาดาเหล็กในทํานองเดียวกันเอาไหนะ่าเราได้วาหีเนี่ยเราเล่านะเอานะเราได้วาหีอีไลก็มายังท่านท่านหมายถึงใครนบีมุฮัมมัดในทํานองเดียวกันเราได้วาหีวาหีตัวนึกสามอย่างนะอ่าโดนใจนะ ให้กับอิไลกับรูปอาวะาฮีที่อัลลอ์ให้กับนบีมุฮัมมัดอะไรคำพีอะไรคัมีกูรานเล่มเดียวเนี้นะเอามาดูสิอัลลอ์ชมคำพีกร์รานว่าไงรู้หันเป็นอะไรเป็นวิญญาณมาจากกูรา์านกูร์านคือวิญญาณ ใครที่อ่านกุรานเขามีวิญญาณถ้าไม่อ่านกุรานเองเป็นศพเดินได้เข้าใจง่ายดีนะ <c oughs> ถ้าไม่ศึกษาอัลกุรานอยู่บนโลกดุญญาายนยาแบบนี้อายุ80ปีไม่เคยจับกุรานเลยเองไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้นี่ภาษาของอุลามานยะตับซิด ท, ทั้งหมดนะฉะนั้นเราอ่านกุรานเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตังเยอะ เราไม่โมโหคนเราไม่ด่าคน เ, าเอาเงินในภรรยาใชา่มีรางวัลตอบแทนจากโลกทั้งหมดเราก้มสุญูดที่พ่านวะฮีหมดเลยอะ่ะเราเชื่อสัตว์ทำกุศลบานเราขอดธิษาเราอ่านกูณอ่านเราซิกรุลนละเราบริจาคสิบวันแรกของเดือนสุริจันทร์ทำทำไมอะ่ะเพราะความรู้มันเป็นผ่านวะฮีทั้งหมดทำไมจะทําดีกับพ่อแม่เพราะมีรางวัลเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น อต่อมาครับตกลงว่าอัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานลงมาให้กับท่านนาบีเป็นอะไรครับเป็นรั้วเห็นยังละอุลามะอธิบายเรื่องรั้วเนี่ยโอ้ทาให้เรามีชีวิตชีวาทำให้เาได้รู้จักอะไรผิดอะไรถูกอะไรสูงอะไรต่ำอะไรบาปอะไรไม่บาปอะไรลงนรกไม่ลงนรกกุรอานอธิบายหมดเลยเอาต่อมาเรื่องที่สองมากุนตะตัดรีมากุนตะบอกว่า ตาจรีโอรรุมาคุณตาตาจรีเจ้ามุฮัมมัดเนี่ยไม่รู้มาก่อนมากุนตาตาจรีนบีเนี่ยไม่รู้มาก่อนนี่เล่าให้ฟังคนก็เหมือนกันถ้าไม่อ่านกูอ่านเองไม่รู้อะไรมาก่อนหรอกนี่เล่าให้นบีเป็นแบบอย่างนบีเนี่ยอ่านหนังสือไม่เป็นอ่า น, นไม่ออกเขียนไม่เป็นเนี่ยรอดเล่าเลยนะมากุนตาตาจรี เจ้านี่ยอภิธรรมัดเนี่ยไม่รู้อะไรมาก่อนมัลกิตาอะไรคือคำพีใช่นไหมชี้เลยนี่ท่านะาอมมาถรรพ์ไม่ประทานกุรอาลงมาจะรู้จักคำพีไหมไม่รู้จักอ ย, อย่าทรนงอย่าอวดดีอย่าตะกรบฏอย่าเยอะหยิง่งท่านต้องรักษากุรอาเลื่อนี้ต้องให้เกียรตนะิ แค่มีกุรานอย่างเดียวเนี่ยเมเลี้ยงาเข้าบ้านไหมไม่เข้านะแต่ต้องอ่านนะมีคุรานอย่างเดียวในบ้านอ่ะคุ้มไหมไม่คุ้มนะมันต้องเปิดอ่านแล้วก็หาความรู้จากคุรานถ้าได้ความรู้ด้วยได้อะไรนะแต่ดับบุตรพิจารณาฟังตัปสีโอโณโลกว่าได้ความรู้เต็มเลยเอาต่อมาครับเรื่องที่สองท่านไม่รู้มาก่อนนะ วา ล, ลัยอีมาและการศรัทธาน บ, บีก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันเอาศรัทธาคืออะไรหกข้อใช่ไหมอิมานต่ออัลลอฮ์รู้มาก่อนไหมไม่รู้มลัยกาศรัทธาต่มาอมลัิกาศรัทธาต่อคัมพีรศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อ ว, วันสิ้นโลกรู้มาก่อนไหมไม่รู้และศรัทธาต่กอกฎกบกัดอีกอ่ะคใครเป็นใครตายใครรวยใครจน ใครแข็งแรงไม่แข็งแรงอลัลลอฮ์จัดหมดนะรู้มาก่อนั้ยไม่รู้พระ อ, อ่านคุณอ่านพระรู้เอใช่เลยอย่เอาล้อหัวสมองเครียรสัต์นี่ไงอลัลลอฮ์บอกกับนนะบีบอกกับเราด้วยนะคุรานคือชีวิตท่านคนไม่อ่านคุรานคนนั่นไม่มีชีวิตอันนี้พูดกัตรงตร ง, ตรงเลยนะทำไมเดินได้ล่ะเองแค่เป็นศพเดินได้ ไม่มีวิญญาณท่านถ้าช้ยมีวิญญาณต้องศึกษาอัลกุรอานหาความรู้จากกุรอานอัลฮัมดุลิละพอศึกษากุรอานปั๊บถูกกล่าวหาจากชาวบ้านเป็นอะไรอ่ะคิดเองกันแล้วกันนะ <laughs> อะต่อมาครับวะลกินจอัลนาหูแต่นะครับ แต่ยาอันเราได้ทำอัลกุรอานเล่มนี้นี่บรรยายต่อนะนูรันให้มีรัศมีอัลลอฮฺอักบรเป็นวิญญาณเราอย่างไม่พอเล่าออกเล่าก็เป็นรัศมีเป็นนูรอนเป็นหุดาเป็นทางนำอัลลอฮ์เป็นไรนะเป็นรัศมีส่องแสงแสงสว่างนะดีเราชี้นำด้วยกุกราอานเล่มนี้แหละ ไม่ยาชะแก่ผู้ที่อัลลอฮ์สรงผสมแคะนั้นการเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยครับนนคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอลัลลอฮ์เลือกแล้วนะพันกว่าล้านเนี่ยอลัลลอฮ์เลือกแล้วนะอีกสามสี่พันล้านนะเรายังไม่เลือกนะท่า น, นคนฉลาดมันต้องขอมาอัลลอฮ์จ้าีอยู่คนหนึ่งลูกสาวรับอิสลาม แล้วก็ไปบอกพ่อพ่อก็รับแล้วบอกว่าอะไรทําไมลูกมารับชาล่ะกันล่ะรับก่อนหนะ้านี้พ่อจะใจีี่โรงกุรอานเรียนยสุ น, า น, นาัขนบีเห็นยังครับนั่นคนยุโรปเนะี่ยทำไมลูกรับชาไปละ่ะถ้ารับไว้ก่า น, นี้สักหปีสิ ป, ปีนะพ่อจะได้รับอิสลามจะจะเรียนก็ น, นี้พ่อกายจะตายอยู่แล้วไม่สบายป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย อย่างดีใช่ไหมล่ะอย่างรับอิสลามก่อนจะตายอิสลามเป็นตัวประคองชีวิตมาให้ตกนรกว่า ง, ไ ง, ไง่ายๆอ่ะชีวิตหลังตายสบายหมดนะถ้ามีอัลลอฮฺและมีรอซูนต่อมาครับมินไอบาดีนาะปวงเบาของเราทั้งหมด Allah, อัลลอฮฺอักบะดอัลลอฮฺจะชี้นาใครก็ได้อัลลอฮฺอักบะดท่านเราขออุอาให้ลูกนะอย่าขอให้รวยอย่างเดียวอัลลอฮฺจะ ให้ภรรยาฉันมีศาสนาให้เมียฉันมีศาสนาให้มีคุณธรรมด้วยเถิดรบนาะฮัปลานาะมินอสวาจีนาวาซูริยาตินากุลรตอาอัยุนวัฏยานาลินมุตตะกีนาอิมามานิเป็นดัวอ่ที่พ่อแม่ต้องขอให้ลูกไม่จะขอให้รวยเลยนะ่ะอย่างนี้เป็นตัวไอ้รวยจะดีไหมถ้ารวยไม่ทําบุญน่ะรวยไปทไําอะไร ถ้ารวยไม่บริจาครวยไปทาอมไร้แลอวอากบัตมามาไม่ต่างอะไเเขาขายกอรูนอย่างนี้เป็นต้นวอินนะกละตาดีแท้จริงนบีมัด o m a อินนะกมาจัดแท้จริงมั h หมัดนี่นะละตาดีเป็นผู้นำทาง หน้าที่ของนบีหน้าที่ของมุสลิมที่เป็นมุสลิมวันนี้นะต้าดีชี้ทางนํานําทางคนอิลาสัสรอตินสู่ทางนําอัสตาตีมที่เที่ยงตรงเท่านั้นเห็นไหมอิสลามเป็นทางนําที่เที่ยงตรงผ่านกุรานและผ่านสุนนะนบีแค่ด่านาบีอลละไรยังมันไสเล่นงานด่ากับตองกี่เที่ยวนะสิบเที่ยวอย่างดีไปตัว <laughs> เออพออ่นฮะ ด, ดีสอ่านคุรานและะบาชาใช่ไหมทำให้เราทอมตนนะไม่กล้าด่าคนไม่กล้าว่าคนไม่กล้าตําหนิคนไม่กล้าตําห น, น, าานิสุนัขนบีแม้แต่เรื่องเดียวผมอ่านฮะ ด, ดีสพบก่อนจะจบหรือบางนาบีชอบอะไรข้าวก้นหม้ออาหารที่ก้นหม้อทั้งหมดนบีชอบหมดเลยครับผมผมอ่านพบนะ เรียนมาตั้งกี่ปีเนี่ยนะเพิ่งอ่านพบว่าซื้อเนี่ยอันร้อนอนนีชอบอาหาร ก, าก้นหม้อก็ไปศึกษาเรื่กนมอ้อวิตามินเต็มเลยอ่ะอย่างเกงแกงกรรมการใช่ไอยู่ก้นหม้อหมดเลยนะ <c oughs> นี่ความรู้นี่มาจากไหนอ่ะนี่ข้าวตังกรรมการอร่อยนะแต่เด็กรุ่นใหม่เนะี่ยไม่กินข้าวตังฉะนั้นบางบ้านเนี่ยเขาเก็บอาหารเอาไว้สําหรับแขกนะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเราความรู้นี่มันพ อ, พออ่านแล้วสบายใจทำให้เราไม่กล้ายโยนอาหารทิ้งไม่กล้าไปดูถูกอาหารก้นหม้อชมภรรยาออทำข้าตังเยอะๆ ส, สิหมดเวลาครับสุธ้านกันลก็ลมาว่าเอ้ยหมดยังศิโรตินอ่านต่อไปรยะสุดท้ายนะครับ صرات الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على ألا إلى الله تصير الأمور. ص ر ا ط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على ألا إلى الله تصير الأمور. พักสุทายะสุทาของสุรสุรทางของอัลลอส์ซีรอตะวาทางอ่าทางขอ ง, Allah าางอัลลอ์ซึ่งลาหูมาฟิสมาวาเวามาฟิลัดชั้นฟ้าทั้งหมดและแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอ์เนี่ยทางนี้แหละทางที่อัลลอ์้นำ ม, มาเตกุร อ, อานเนี่ยนะ ทินบีมาสอนนี่นะมันเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินจะให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยเดินทางไปทางไหนเดินตามกุญอาและทางที่ถูกต้องอาลาจงรู้ไปเถิดว่าอิลลลลอฮ์ยังอัลลอฮ์ต่อสรู้ไปว่ากลับอัลอุมูรกิจการทั้งหลายทุกคนตายแล้วต้องฟื้น ฟื้นแล้วต้องกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ทุกคนไม่หนีไม่สามารถหนีไปไหนได้สรุปแล้วก็คือพอไปยืนที่ทุ่งมาซัตแล้วทุกคนอยากกลับมาอยู่ชีวิตดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกคนแม้แต่มุสลิมเองก็อยากกลับมาทำความดีเพิ่มมากกว่าเก่าอยากจะมาอันตับซิดมากกว่าเก่าอีกไม่ใช่แค่นี้อันนี้มันยังไปจุใจไปรู้ พอฟื้นขึมาแล้วคนกาเฟ่ะออเยะว่ากาเฟสมีคนตำหนิมานะอย่าพูดกาเฟพูดนะนะูู้ไม่ศรัทธานะูไม่ศรัทธาอยากกลับมาเหลือเกินอัลลอ์ร้องขอร้อง Allah, อัลลอฮ์เท่าไรอัลลอ์ไม่ห้ครับสุบรรณลอุมาวะบิฮัมดิกะชลลอิละอิลัตอัสตับลุกาวะตูร์ก